ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ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 ให้ใจภาวนาพุโทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าเอาจิตใจดวงผู้รู้นั้นดูกายกตาสติกรรมฐานของตนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวนี้เป็นบทฝึกจิตไม่ให้ออกคิดไปภายนอก จิตนี้มันหลงไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าคิดออกไปภายนอกมันชอบใจเพราะมันเป็นไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสมานมานมันดึงเอาใจไปกิเลสลาคโทสะโมหะท่านก็ว่าเป็นมาน จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกก็เป็นมารจนมาถึงขันธรมานขันธรมานก็คือว่าตัวเราทุกคนขาสองแขนสองสศีรษะหนึ่งนี่เป็นตัวมารโดยเฉพาะคือว่าเวลาล่างตายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย กิเลสมารสังขารมารมันก็ยกเอาร่างกายนี่แหละมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ให้เราปฏิบัติภาวนาว่าเราไม่สบายวันนี้ไม่สบายคืนนี้ไม่สบายหรือว่าวันนี้คืนนี้เนหนื่อยมากไม่ต้องนั่งภาวนาเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วก็มันก็จะเชี่ยมสอนจิตอีกแบบหนึง่งว่าเราไม่สบายอย่างนี้ร่างกายไม่สบายถ้านั่งสมาธิภาวนาเข้าโรคภัยไข้เจ็บมันจะกำเลิกเอาถึงคนเราตายได้มันว่าไปอย่างนั้น <c oughs> อย่าไปเชื่อไปหลงเวลานั่ง สมาธิภาวนามันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามมึนซาอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจหน้าที่ของเราตั้งใจบริกรรมภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธในใจนั้นหรือหน้าที่ตรวจกาพิจารณาร่างกายสังขารเพื่อให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริง ก็ให้ดูในร่างกายสังขาร น, นั้นเพราะว่าร่างกายนี้เป็นยาหม้อใหญ่ถ้าใครกําหนดกายพิจารณากายได้ก็ชื่อว่าเป็นยาหม้อใหญ่คือว่าแก้ได้ทุกอย่างจิตใจคนเราที่หลงไหลออกไปภายนอกก็เพราะไม่เห็นกายไม่รู้แจ้งในกายของตัวเอง จึงได้ต่อเนื่องออกไปภายนอกเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาความจริงใจคนเรานี่ยมันอยู่ภายในอารมณ์ของใจมันอยู่ภายนอกจิตใจจริงๆนั้นมันไม่ได้ไปไหนความจริงมันไม่ได้ไปที่ว่าไปนั่นไปนี่คิดไปน่ะมันสังขารสังขารมารกิเลส ม, มันเป็น ทำเหมือนกับว่าไปโน่นไปนี่ตัวจริงก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวนั้นมันไม่ได้ไปเวลาจิตคิดไปยังมีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าจิตเราคิดไปนั่นตัวนั้นมันอยู่ดวงจิตที่รู้อยู่นะ่ะมันอยู่ในตัวอยู่ในกายนี่แหละมันออกไปไหนไม่ได้ ตั้งแต่มาปฏิสมทิวิญญาณมาเกิดในท้องแม่ก็จิต ด, ดวงนี่ละมันมายึดเอาถือเอาก้อนธาตุดินน้ำไฟลมที่มาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นี่ <c oughs> ดวงจิตอันนี้มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในแต่มันไม่ให้มองเห็นหน้าเห็นตาของดวงจิตอันนั้น มันคอยอำพรางปิดบังไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นให้เห็นตาอารมณ์ที่ความต้องการไม่ต้องการภายนอกฟุง้งซ่านลำคาญไปต่างๆนั้นาไม่สงบประ ง, งับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนาท่านจึงให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้มันไป สิ่งได้อยู่นอกกายนอกใจแล้วตัดทิ้งวางทิ้งละทิ้งดี D. ก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเอาจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภาวนาพุทโธอยู่ภายในรวมกำลังในจิตใจดวงนี้ให้ตั้งมั่นลงไปในหัวใจเมื่อมารวมมาสงบได้ในดวงจัดจิตดวงใจแล้ว เชื่อว่าเป็นต้นทางต้นทางที่จะดําเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่เป็นความคิดความอ่านภายนอกมันเป็นความสงบภายในเมื่อจิตดวงนี้มีความสงบแล้วจิตดวงนี้มันก็มีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถอานหานไม่ทอแท้ออนแอ ไม่กลัวสังขารมานกิเลสมาจนกระทั่งร่างกายก็ไม่กลัวมันเจ็บมันไข้มันแก่มันชรามันแตกมันตายก็มันแตกตายเองเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายตัวเองจะไปกลัวทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้เตือนใจของผู้ปฏิบัติว่าเวลาเราตั้งใจปฏิบัติบูชานั้น จงให้มีสัจธรรมอธิษฐานธรรมในจิตในใจของตนอย่างว่าในวันหนึ่งๆก่อนที่จะหลับจะนอนนั้นจะต้องตั้งสัตธิฐานใจไว้วาเราจะต้องกราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียกอด ปฏิบัติบูชาก่อนจึงค่อยหลับพ่อยนอนตั้งใจว่ายอย่างนั้นอธิษฐานตัวอธิษฐานใจว่ายอย่างนั้นแล้วเวลาถึงเวลาทำเวลาปฏิบัติมันจะมีแหละที่ว่ามารสังขารสังขารมารขันธมานมันอ้างเข้ามาอย่างว่ากายสบายพอนั่งภาวนาได้กล่นั่ง มันนั่งภาวนาไม่ได้ก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนนอนก็ให้ภาวนาได้ทุกเบ ร, รียาบทาาดเดินก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ไปรถไปลาก็ภาวนาได้คือมันขึ้นโยกับความตั้งใจของผู้ภาวนานั้นเมื่อมีความตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วมันทำได้ทางนั้น คือมันใจเป็นผู้ประกอบกระทาถ้าใจไม่ตั้งแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ทางนั้นแหละแล้วใจไม่เอาใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนาเพราะในตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเจตใจดวงผู้ลู่อยู่ในตัวในใจนั้นมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วได้วดวงจิตดวงใจอันนี้ถ้าผู้ใดมา รวมจิตรวมใจดวงนี้ได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านล้ำคาญไปที่อื่นรักษาศิ้นห้าสิ้นแปดก็ตั้งใจรักษาจริงจริรักษาสิ้นสิบสิ้นสองรอยี่สิบก็ตั้งใจรักษาจริงๆ 10, 220 ง, งๆฟังธรรมก็ตั้งใจฟังด้วยดีปฏิบัติธรรมะก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะจริงๆ เมื่อความตั้งใจอันนี้มั่นคงลงไปในดวงใจแล้วใจดวงนั้นมันก็จะมีกำลังมีกำลังมีความสามารถศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนามันก็เกิดขึ้นในใจิตใจดวงนั้น เมื่อจิตใจดวงนี้มีศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมะใจมันเชื่อเลื่อมใสแล้วกายเขาไม่ว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวของกายก็ไม่เป็นอุปสรรคความเจ็บไข้ได้ป่วยของกายก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าจิตมันเชื่อมัน่นลงไปว่าการปฏิบัติบูบชาภาว น, นา เมื่อจิตใจสงบตั้งมัน่นจนถึงขั้นจิตใจนั้นเลิกละสกายทิฏฐิวิจิพิชฉาสีละพตะปลามาตได้ใจมันมีกำลังใจมันมีชานใจมันมีที่อยู่ ใจมีที่โยนที่อาศัยเรียกว่าเป็นพุทธโอสถเป็นธรรมโอสถเป็นสังฆโอสถเป็นยาเป็นยาภาวนาเมื่อมันเป็นยาภาวนาถัาใจอนนั้นมันมีกำลังโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆนะมันหายไปเองโรคภัยไข้เจ็บที่จะมันจะมาเกิดมาขึ้นมาใหม่มันก็เกิดไม่ได้ ด้วยบุญบารมีที่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาอันนั้นมันป้องกันภัยอันตรายในตัวจิตใจของผู้นั้นก็มีกำลังมีความสามารถอานานเรียกว่าไม่เลาะและหวั่นไหวทำจริงปฏิบัติจริงทำจริงเมื่อทำจริงๆผลก็ย่อมปรากฏจริงขึ้นมาในจิตใจนี้มันขึ้นกับดวงจิตดวงใจทางนั้น จึงได้กล่าวกันมาเสมอว่าจิตนั่นมันเป็นนายกายนี่มันเป็นบ่าวไพร่ราสดสอเหมือนสมัยราชาทิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในชีวิตของราษฎรไพร่พราข้าเป็นดินเจ้านายใช่อย่างไรได้ทางนั้นจิตกับกายนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้าหาว่า จิตมันเป็นนายอยู่แล้วกายมันเป็นบ่าวไพร่ราดฎรดอนเราพาทําอะไรมันทําทางนั้นรูปร่างกายมือเท่าตัวตนจิตใจมันพาทําบาปมันก็ทําเหมือนคนทั้งหลายเขาที่ทําบาปก็ใช่กายวาจาอันนี้แหละไปทําบาปมันก็ไม่กลัวทําบาปมันก็ไม่กลัวทําได้ เพาว่าจิตมันเป็นบาตจิตมันเป็นนายน่ะนยบาตนายไม่ภาวนามันก็ใช้กายไปในทางที่ผิดๆมันก็เกิดความเดือดร้อนในตัวขึ้นมาภาวนาคือใจนี่แหละมานึกมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นรวมจิตใจของตนลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆในหัวใจ เมื่อใจมันสงบตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็มั่นคงไปหมดทำอะไรมันก็มั่นคงทำจริงพูดอะไรมันก็พูดแต่ความสัตย์ความจริงคิดอะไรมันก็คิดแต่ภาวนาในจิตในใจสิ่งที่ไม่ดีมันรู้มันเลิกละออกไปจึงได้ชัวรความตั้งใจมั่นเมื่อจิตใจมันมั่นคงหนักแน่ ไม่ลหลงไหลไปตามอาการภายนอกจิตมันก็หนักแน่นมั่นคงไม่ใช่มันมาจากที่อื่นมันมาจากจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเครื่องกาหนดพีจะะารณา วิธีใดที่จะรวมเอาจิตใจของตนให้สงบงระงับได้ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจเข้ามาใจคนเหล่านั้นมันอยู่ภายในก็จริงแต่ว่าถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันออกไปภายนอกหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโธทภะธรรมารมณ์ สิ่งที่จิตมันหลงก็หลงอยู่ในในอาญตนะทั้งหลายเวลามันตากระทบลูกหูกระทบเสียงจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็หลงไปส่วนดีก็หลงไปเหลี่ยมอย่างหนึ่งส่วนไม่ดีมันก็เกลียดชังไปอีกอย่างหนึ่งผลที่สุดจิตใจอ น, นันตมันก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาอย่านั่งสมาธิภาวนา ให้มันสงบระ ง, งับก็ไม่ได้เพราะตัวปรุงแต่งมันคอยมาแย่งที่นั่งแย่งที่อยู่เสมอมันจะให้หยุดให้ยังไม่ให้ทำพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้จึงชื่อว่าลบกับพยามานว่างนั้นพยามายกขยงใหญ่มาลบ แ่นบันลังพระพุทธเจ้าหมายจะให้พระพุทธเจ้าเลิกล้มภาวนาแต่พระองค์ได้ตั้งสักยากอธิษฐานลงไปว่าไม่หวั่นไหวกีเลดไม่ตายเราก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายตนตั้งใจลงอย่างนั้นเมื่อนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าตั้งใจมั่นลงอย่างนั้นแล้ว กิเลสมารสังขารมารทั้งโลกก็บวดสามารถที่จะมาทำลายความตั้งมั่นของพระพุทธเจ้าเราได้พระองค์ก็ภาวนาสงบจิตขนบใจลงไปในอนาปาลมหายใจจนจิตใจตั้งมั่นเต็มที่แล้วในคืนมันนั้นก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ก็คือว่าพระองค์ตัดกิเลสความโกรธนั่นเองตัดกิเลสความโลภนั่นเองตัดกิเลสความหลงนั่นเองไม่ยอมให้กิเลสเหล่านี้เข้ามาเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในหัวใจไล่ออกหนีไล่ออกจากกายวาจาจิตของพระองค์หมดมันจะไปอยที่ไหนก็ช่างมันไม่เสียดายตายยาก ภาวนาอยู่ในใจของเระองค์จิต ใ, ใจของพระองค์ก็แก้วกล้าสามารถรู้จักเล่เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจกิเลสเหล่านี้ก็อยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้มันก็มาอยู่ในใจพวกเราทั้งหลายอีกแต่พวกเราทั้งหลายนี่มันเป็นมิตรเป็นสหายกับกิเลสมาร เอากิเลสมารขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นตัวขึ้นกายขึ้นวาจาขึ้นจิตขึ้นใจยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการที่หลงไหลไปตามกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้จึงไม่มีทางที่จะสู้กับพญามารได้พระพุทธเจ้าสู้ได้พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธการท่านสู้ได้ท่านละได้ ละพุทธเจ้าละกิเลสละคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ละกิเลสละคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปได้อะไรเป็นผู้มาละก็จิตใจที่ภาวนาเนี่แหละคือใจไม่หลงไปตามมารกิเลสไม่หลงไปตามกิเลสความโกรธโลภหลงนั่นเอง ท่านเพียรพยายามแยกจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นภาวนาอยู่ในดวงใจเวลาเกิดเด็กไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านก็ไม่ยึดไม่ถือคือท่านเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเห็นว่ารูปประขันร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันไม่ใช่ตัวเรามันธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลม ธาตุกิเลตันหาเมื่อจิตใจคนเรายังมีกิเลสมันก็มาอาศัยอยู่ในธาตุเหล่านี้ยินดียินลายไปตามตาหูจะหมกลื่นกายใจยินดียินลายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโสด พ, พะธรรมลมใจมันไม่สงบใจมันไม่เป็นดวงเดียวเวลาภาวนาข้อแรกท่านจึงให้ เอาใจให้เป็นใจเดียวเอาใจให้สงบตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งเสียก่อนถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นดวงเดียวแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่ได้สงบไม่ลงเพราะมันเป็นหลายจิตหลายใจหลายความคิดพุ่งซ่านลำคาญไปตามอำ น, นาจกิเลสแล้วว่ากิเลสมันพาไปกิเลสมันพามา กิเลสมันพานนั่งพานอนพายืนพาเดินทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยอยู่กับกิเลสเวล า, าจะภาวนาปฏิบัติบูชาทําจิตใจให้สงบระงับมันก็เป็นอุปสรรคละมันมันมาเชี่ยมสอนมาหาทางต้านทานไม่ให้ไม่ให้ทามาให้ปฏิบัติไม่ให้ละไม่ให้วาง มันให้หลงไหลอยู่กับกิเลสดูกับใจของผู้ใดหลงไหลอ ย, อยู่กับกิเลสกองไหนกิเลสโทสะจริตเมื่อมันหลงไหลเข้าใจว่าเป็นฤทธ์เป็นอำนาจมันก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธคนอื่นเขาพูดอะไรไม่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวก็โกรธ ไม่ว่าคนสัตว์วัตถุธาตุอันใดแะ เ, เพราะมันทำไม่ตรงกับโทสะจริตเนี่ยมันโกรธได้ทางนั้นแม่สิ่งที่ไม่มีวิญญาณมันก็โกรธให้เพราะความไม่รู้ในจิตอันนี้เพราะไม่รู้ไม่ละโกรธให้วัตถุเข้าของทุบตีต่อยให้วัตถุเข้าของแตกดับไปเสียหายไปก็มีเยอะแยะ นั่นแหละทำไมไม่ทุบต่อยตีกิเลสความโกรธในใจของตนให้มันดับไปหรือบางคนก็เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายคนอื่นผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ทรมานก็มีนี่คือว่ามันเมื่อความโกรธขึ้นมาแล้วมันละไม่ได้วางไม่ลงเลยมันก็ทำไปตามอำนาจความโกรธอันนั้น ผลที่สุดก็เกาะกรรมกระทาเข็นไว้ในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าเวนทั้งหลายนั้นจะระงับดับได้ก็เพราะไม่เกาอเวนถ้ากาอเวนกันอยู่ไม่มีทางที่จะสงบได้จะเป็นเวนภายนอกเป็นเวนภายในอันใดก็ตาม อย่างเขาด่าเราเราก็ด่าตอบเขาทําร้ายเราเราก็ทำร้ายเขาตอบมันก็ไม่จบกันสักทีเมื่อพูดว่าอย่างนี้แล้วก็ช่างมันความทําใจให้วางเฉยเขาด่าก็ต้องยอมให้เขาด่าบ้างธรรมดาสัตว์โลกเขาไม่รู้ความไม่รู้มันก็ดูด่าว่าร้ายปลายสีไปตามเรื่องจิตเราก็ภาวนาพุทโธอยู่ ทำความรู้แจ้งรู้จริงในหัวใจอยู่ไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะกังวลเมื่อจิตใจเราไม่ไปเกี่ยวเกาะกังวลแล้วภาวานาอยู่ในใจเวรทั้งหลายมันก็ระ ง, งับไปเพราะไม่ได้เกาอเวนใครกาขึ้นพูกนั้นมันก็ได้รับผลเองเมื่อเราภาวานาอยู่ไม่ได้เต่เกาะกรรมทําทเข็นกับบุคคลพวใดเวรมันก็ไม่มี เวรทางกายก็ไม่ได้ทำไม่งั้นนั่นก็ดับไปเวรทางวาจาไม่ได้พูดเวร น, นั่นมันก็ดับไปเวรทางจิตทางใจไม่ได้คิดคิดแต่ภาวนาพุทธโธอยู่ในหัวใจเวรทางใจก็ไม่มีบาปทางใจก็ไม่มีบาปทางวาจาก็ไม่มีบาปทางกายก็ไม่ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำแล้วบาปนั้นมันจะเกิดเป็นตัวเป็นตนลอยมาจากภายนอกนั้นไม่มีกรรมเวรทั้งหลายแหละความจริงก็คือตัวเองทำมานั่นเองแต่การทำบาปทำอกุศลหรือทำบุญก็ตามมันมีอดีต ท, ทำมาอย่างหนึง่งมีปัจจุบันชาตินี้ทำเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่ง ทุกโทษบาปกรรมบางอย่างบางประการนั้นชาตินี้ไม่ได้ทําแต่ชาติก่อนเราเคยทํามาก็มีแต่มันยังไม่ให้ผลมาให้ผลชาตินี้คนไม่ไม่ภาวนาไม่ทําใจให้สงบก็มักจะบ่นว่าบาปอย่างนี้กรรมอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําทําไมจึงให้ข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเหล่านี้ ความจริงมันมาได้เป็นอย่างความอยากความต้องการของมนุษย์กันว่ากรรมทั้งหลายนั้นมันพาสัตย์ให้เป็นไปบุคคลทมบาปบาป ท, ที่เขาทำไห้ลันแหละเรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวณพาให้ไปไปสู่นรกไปสู่อเวจีพาให้ตกนรกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็คือว่ากรรมของพระเทวทัตรม กรรมที่พระเทวทัตทำน่ะทำมมาแต่อดีตชาติก็นับไม่ท้วนมาชาติปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าผู้มีรัศมีหกประการละกิเลสตัดกิเลสหมดแล้วพระเทวทัตมันก็เป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นก็มีแต่จะอิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าเรื่อยไป จนถึงวัยแก่วัยชราละลึกได้ให้ลูกสิทธิหามมาเพื่อจะมาขอขอมาพระพุท ธ, ธเจ้าเมื่อมาแล้วยังไม่ถึงกระพุท ธ, ธเจ้าจะเตรียมตัวไปปราบพระพุท ธ, ธเจ้าขอขอมาโทษเพียงแต่ว่าลูกสิทธิปองหามพระเทวทัตมาแผ่นดินก็โยไม่ได้แยกเป็นสองข้าง พระเทวทัตก็ตกลงไปถึงอเวจีมหานรกคนทาบาปแผ่นดินมันก็แยกให้ตกลงไปสู่อเวจีมหานรกคนทาบาปก็เป็นอย่างนั้นคนทาบุญพระพุทธเจ้าท่านทำบุญท่านให้ทานลักษาศินปาวนาบาลมีสิบประการพระองค์บำเพ็ญมาเต็ม เมื่อเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานบุญเหล่านั้นก็ส่งพระพุทธเจา้าทั้งที่มีชีวิตอยู่ในโลกก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธาทำบุญให้ฐานเคารพนับถือทั้งมนุษย์ สมบัติทั้งมนุษย์มนุษย์ก็เอาไปทาบุญกับพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นฐานเทวดาอยู่บนฟ้าบนสวรรค์เวลาพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นรกพานสมบัติของเทวดาดอกไม้เครื่องบูชาก็ดาดเดืนกองล้นพน้น นี่แหละเราท่านทั้งหลายการนั่งสมาธิภาวนาหลับตาเนกบริกรรมพุทธโธอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เต็มก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกดับไปการภาวนานั้นถ้าคิดดูให้ดีมันไม่มีอะไรชิ้นเปลืองไม่เหมือนการทำบุญทำทาน การทำบุญทำทานอย่างหา จ, จะถูกปัจจัยเครื่องพยาทานมาจึงทำได้แต่การนั่งภาวนานี้ไม่ต้องเอาอันใดเรียกว่าปฏิบัติบูชาภาวนาเอากายวาจาเอาจิตเอาตัวของเราเท่านั้นไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรจิตใจก็เนิก ภาวานาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายมีโลกก็เรียกว่านามรูปังอันนี้จังนามเลยลูกนี่มันไม่เพียงพระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดพิจารณาให้จิตใจมันรู้เห็นไม่ใช่เพียงแต่เนิ่งลึกคิดคิ ด, คดเลื่อนๆลอยๆให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นมันเห็นแจ้งว่าโลกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิต สังขารวิญญาณเหล่านั้นมันมีความไม่เที่ยงมันเที่ยงอะไรต้องดูให้ดีมีอะไรมันเที่ยงตรงคงที่จึงได้คลอดได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วเป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวความไม่เที่ยงอ น, นั่นเองมันก็จเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมา ด้วยอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้มนุษย์คนเหล่านั้นไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดียร์ฉันถ้าเกิดมาไม่มีผู้ดูแลรักษาให้ตายทุกลายไปไปหากินเองไม่ได้แต่สัตว์บางประเภทพอเกิดมาแล้วมันหากินเองมีชีวิตในโลกไปได้แต่มนุษย์ไม่ได้ ตายนี่ก็บิดามารดาท่านจึงว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณของลูกเต่าล้านเลนจะต้องช่วยดูแลท่านถ้าท่านยังมีอยู่นี่มันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนความตายมันเที่ยงหรือมันแน่นอนไหมเด็กๆมันตายได้ไหม ก็ย่อมรู้ได้เข้าใจว่ามันตายได้เหมือนกันหนุ่มแน่นแข็งแรงมันตายได้ไหมตายได้เวลามันจะตายเหตุแห่งความตายนั้นมันมากมายหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งนับไม่ได้นั่งอยู่ดีๆมันก็ตายได้เกิดเป็นลมเป็นแรง้งขึ้นมาก็ตายได้เส้นโลหิต แต่มันก็ตายได้มันตายได้ทางนั้นคนผอมก็ตายได้คนอ้วนทวนก็ตายได้หญิงก็ตายได้ชายก็ตายได้นักบวชก็ตายได้นักบ้านก็ตายได้เวลามันจะตายขึ้นมานอนอยู่ดีๆมันก็ตายพระบางองค์นอนอยู่ดีๆมันตายขึ้นมาได้ ผู้คนยิ่งมากมายหลายร้อยหลายพันนอนหลับลักตายนอนหลับไปแล้วก็ตายไปเลยคนอื่นไม่รู้ก็มีแม่บางหลายเพื่อนมิตรสหายลูกก็แก้ไม่ตกก็ไปตายได้เหมือนกันความตายนี่แหละท่านว่านั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนหลับอยู่ดีๆก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆก็ตายได้ เดินไปมาที่ไหนก็ตายได้ไปรถไปเรือก็ตายได้ความตายนี่ไม่มีใครหลเปลีกได้เพราะว่ามันมีบุพกรรมเก่าที่ตัวทำมาเมื่อทาบาปอากุศลอันใดไว้บาปอากุศลอันนั้นแหละมันก็ตามคอยหาจังหวะหาโอกาสเมื่อได้โอกาสได้จังหวะมันก็เข้ามาทาลายชีวิต นั่นทางแก้ไขไม่ต้องไปคิดแก้แก้ใจนั่นใจความโกรธไม่ให้มีใจความโลภความอยากได้ไม่ให้มีใจความหลงไม่ให้มีในใจเมื่อไม่ให้มีให้ใจมีอะไรก็ ม, มีบริกรรมภาวนามารณกรรมฐานก็ได้พุทโธก็ได้ ความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพัดผาจากของรักของชอบใจก็เป็นบทภาวนาได้ทั้งนั้นกำหนดเข้าไปเถิดมันเป็นอุบายภาวนาทางน้นเห็นใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาจากต้นจากกิ่งก้านก็กำหนดให้มันทันว่านั่นใบไม้มันยังล่วงหล่นได้ ตัวเราคนหนึ่งนี่มันก็เหมือนใบไม้ล่วงหล่นมันยังไม่ล่วงหล่นแต่มันก็หล่นอยู่แต่ไม่เห็นหล่นจากท้องแม่ออกมาหล่นจากทารกออกมาแล้วก็แก่ชราไปตามเรื่องพ้นที่สดก็ไปถึงวันตายเมื่อตายแล้วมันก็ไม่รู้ก่อนที่ยังไม่ตายน่ะมันรู้จักอะไรต่อนี้อะไร ความทุกข์ความเดือดร้อนมันไปอยู่ในจิตท่านจึงเปลี่ยนเอาจิตใจอันนี้มาภาวนาปฏบิบัติบูชาทําความเพียรโยในจิตใจของเราทุกคนให้ได้อย่าไปปล่อยปากละเลยตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นมันเป็นมานมันเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลาย อย่างว่าคนเราอยู่ดีๆพอมานคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าหรือมานคือความตายมาถึงเข้าแล้วมัจจุมานความตายนั้นแลียว่ามัจจุคือความตายเมื่อมาถึงเข้าแล้วเราจะไปล่องขอให้บุคคลผู้อื่นมาช่วยมาให้คข้าไปเจ้าตายมันก็ล่องได้ขอได้แต่มันไม่ฝัง ถ้ามันฟังก็ไม่มีคนตายถ้ามันฟังก็ไม่มีคนแก่ถ้ามันฟังก็ไม่มีคนเจ็บมันไม่ฟังนั่นแหละมันจึงเจ็บไข้ได้พยาธิมันไม่ฟังหั่นแหละคนเรามันจึงแตกจึงตายเราอย่ามาย่อท่อในหัวใจให้เลือลุกขึ้นเยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองให้ได้ หลักมันมีอยู่ที่กลงนี้กลงที่ว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลตละให้หมดให้สิ้นให้พองใสสะอาดอันใดที่เป็นความขุ่นข้องหมองใจอยู่ภายในไม่ให้มีเลิกละปลดปล่อยออกไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจปฏบิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่นิ่งนอนใจ เมื่อจิตใจอันนี้แหละมีความสงบตั้งมั่นได้มากน้อยเท่าไหร่จใจดวงนี้มันก็มีสติความละลึกได้เป็นมหาสติปัฏฐานเป็นสมาธิคือจิตของบุคคลผู้ภาวนาก็จะตั้งมั่นลงไปไม่งอนแง่นคอนแขนไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเรา เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตัดไวแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราโดยสมมุติตัวแท้มันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะที่เขาเป็นไปได้เท่านั้นแล้วก็ดูเมื่อเราเกิดมาทุกคนมีสมบัติพัฒฐานอะไรติดตัวมาไม่มีเลย เวลาคนที่เขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายเขาเอาสมบัติพัสถานอะไรไปได้ไม่มีเลยไม่มีใครเอาไปได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้สาีีละร่างกายนี้ก็อาศัยบุคคลที่เขายังไม่ตายเาผาขีจีกระดูกไปตามเรื่องส่วนดวงจิตดวงใจใครทำบุญไหว้ก็ ไปสู่บุญกุศลใครทำบาปไห้ก็ไปสู่บาปบุคคลผู้ใดมีความหมันขยันภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรดโลภหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจิตใจของผู้ น, นั้นเมื่อถึงข่าวแตกดับก็เข้าสู่นิพพานแล้วนิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขไม่ต้องมาทุก ในจิตในใจการบําเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงให้ภากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้มันต่อเนื่องกันไปให้มันสืบเนื่องกันไปไม่ให้มันขาดระยะถ้ามันขาดระยะก็มันไม่ต่อเนื่องอะไรอะไรมันก็ขาดเป็นวัคเป็นตอนสมาธิมันก็ไม่ต่อปัญญากด ไม่ต่อสติก็ไม่ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นกลมเกลียวกันแล้วมันก็จับที่ไหนไม่ได้มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญก็เลยเข้าใจผิดคิดหลงต่อไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อผู้มาภาวานาทําใจให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในวัวใ จ, จของตนได้แล้ว นั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นพุทโธ ท, ที่นั้นนอนอยก็ภาวนาในเวลานอนพระพุทธเจ้าทรงเตือนแล้วว่านอกจากภาวนาให้มันได้ทุกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ลมหายใจเข้าออกเลยมันไม่ยืดยาวเท่าไรดูติสูตรลมหายใจเข้าไปหมดแล้วก็หายใจออกมาเนรลาธาภาวนาพุทธโธภาวนามรณะกรรมฐานได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมีทางที่จะพ้นจากทุกภัยในโลกในวัฏะสงสารไปได้ ถ้าหากว่าหมดวันก็ไม่เด่นนึกไม่ได้เจริญหมดเดือนหมดปีก็หมดไปแก่ชราแก่เท่าผมหอกฟันหลุดผลที่สุดก็ตายทิ้งเปล่าๆภาวานายังไม่เด็ททำความเพียรยังไม่ได้ด ย, ยั ง, ดยงลงสู่จิตใจใจอันนั้นก็มีแต่ความมืดมนโอนท ก, กรรมวุ่นวายอยู่ในกิเล ส, สกามวัตถุ ก, กรรมไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ ก็มีแต่ความหลงความไม่รู้ในตัวในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาผู้ภาวนาท่านจึงไม่ให้เลือกการไม่ให้เลือกเวลาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ได้อะไรก็พุโทโธพุโทโธในใจนะตั้งใจนึกน้อมให้จิตใจสงบตั้งมั่นลงไปจนจิตใจสงบได้จริง เมื่อใจของผู้ใดสงบได้จริงนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นมันรู้ในใจรู้ในตัวเมื่อใจิตใจสงบตั้งมัน่นมันก็เย็นสบายในดวงใจนั้นภาวนาได้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในตัวในใจเพราะว่าใจมันภาวนาได้ภาวนาอยู่ภาวนาสงบระงับได้มันก็เห็นแจงในใจิตใจของผู้ภาวนานั้น ไม่ใช่ว่าผู้เราภาวนามันไปผู้อื่นได้รับมาอย่างใครภาวนาผู้นั่นก็ได้รับเปรียบเหมือนอย่างว่าใครรับประทานอาหารคนนั่นก็อิ่มคนไม่รับประทานอาหารแม้ร่างกายจะนั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าความหิวโหยรอยแรงมันก็มีอยู่ที่ผู้ไม่ได้รับประทานอาหาร จิตใจที่ภาวนาใจิตใจที่บาเพ็ญฐานรักษาศีลภาวนานี่ก็เหมือนกันถ้าใจไม่ภาวนาใจวุ่นวายภายนอกละมันก็เอาละวุ่นวายอยู่อย่างนั้นหลงอยู่อย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นค้องอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ได้ตัวเองไม่แก้ตัวเองใจตัวเองไม่ละกิเลสในใจของตัวเอง มีแต่จะสร้างกิเลสสร้างจิตใจอันเป็นพบเป็นชาติให้ต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตามอำนาจของตัณหานาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีกิเลตัณหานั้นไม่มีเมืองขอมีเท่าไรมันก็ไม่พอดีเท่าไรก็ไม่พอ ตายแล้วก็มันก็ยังไม่พอมันเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่อีกก็วุ่นวายอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละนั้นการที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะมัวมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสของโลกนี้ไม่ได้เราจะต้องทําความดีให้คล่อมมูลบริบูรณ์ได้แก่การ ปฏิบัติภาวนาการภาวนานี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าเราตั้งใจจริงๆคนไม่ตั้งใจต่างหากนั่นมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งที่จะมากีดกันไม่ให้ทำความจริงนะมันเป็นที่จิตถ้าจิตมันแน่วแน่มั่นคงตั้งอกตั้งใจทําจริงๆเนี่ยอุปสรรคต่างๆมันก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ ก็จิตของผู้นั้นมันมีความคิดนึกตรงแต่งภาวนาอยู่ไม่ได้ท่อถอยไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นพุทธโธก็อยู่ที่ใจธรรมโมก็อยู่ที่ใจสังโฆก็อยู่ที่ใจกรรมฐานสี่สิบห้องก็อยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วจิตใจของผู้นั้นมันก็ สงบประนับเย็นสบายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ชั่วให้กลายเป็นดีไปได้คือไม่ทำไปตามอำนาจของความชั่วไม่พูดไปตามอำนาจของบาปทางวาจาไม่คิดทางจิตเป็นให้เป็นไปในทางบาปเมื่อกายวาจาจิตจิตใจของผู้นั้นภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในลูกนามกายใจตัวตนอยู่ตลอดกาล สัพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะสพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคปรารถนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา และนายคณะลีก็ให้เป็นการปฏิบัติบูบชาไปในตัวคือว่าให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิเนยให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิเน้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้าง้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูอะไรแล้วดูใจเอาตาใจดูจิตดูใจน้อมนึกล้ำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธในใจ ในขณะที่เรานึกพุโทโธอยู่ให้สังวรระวังรักษาจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆเวลาเน้ให้ถือว่าเราฝุดสติให้เต็มที่สตินี้ท่านว่าสติปฐานสี่รละลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม สติปัฏฐานนี่แหละถ้าหางว่านนึกอยู่เสมอภาวนาอยู่ทุกเวลาสตินี้ก็จะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานมหาเรียวว่าใหญ่ใหญ่เรี่ยกว่าไม่ลุ่มลงนึกได้เจริญได้อยู่ตลอดเวลาแพะนั้นเวลานี้จงรวมจิตใจเข้ามาภายใน จะมีความทุก อ, อกทุกใจอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่ต้องไปให้มันเป็นทุกขจิตใจตามอารมณ์กิเลสละวางเสียมาทําจิตใจในเวลานี้ให้สงบระ ง, งับตั้งมัน่นการที่จะทําจิตใจของตนให้สงบระ ง, งับตั้งมั่นนั้น ต้องทวนกระแสจิตกระแสใจคือไม่ปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปตามอำนาจกิเลสทวนกระแสขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาระวังยาให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาถับถมจิตถีนามิทะความง่วงเหงาหานอนนี้เป็นนิวรตัวสำคัญ เมื่อเข้ามาทับถมจิตใจผู้ใดแล้วการฟังธรรมก็ไม่ได้ยินจะจดจำอะไรก็ไม่ได้เรื่องคือความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาทับถมจิตในเวลาที่ปฏิบัติบูบชาภาวานาจะนั่งในโมคันะนั่งในตัวเราคนเดียวที่อยู่อาศัยก็ตาม ต้องให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นก่อนแล้วก็ปัจจุบันนธรรมคือในขณะนี้เวลานี้ให้จิตใจดวงนี้มีสติขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นลงไปให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทัน กิเลสมานสังขารมานในเจิตใจของตนให้ได้อย่าได้ขาดสติคนเราถ้าขาดสติแล้วจิตก็ลุ่มหลงหมัวเมาไปในที่ต่างๆถ้ามีสติความระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราทําอะไรเดี๋ยวนี้เราพูดอะไรเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรจิตใจมัน หยดมันอยู่หรืออย่างตัวปัจจุบั น, นธรรมนี่แหละเป็นธรรมอันไม่งอนแงน่นคอนแคลดผู้ใดรวมจิตรวมใจของตนลงไปในปัจจุบันในี่เจตใจย่อมสงบระงับได้ คือดวงจิตใจคนเหานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันลนะอย่างโลนอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุนามธรรมไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานถ้าผู้มีปัญญาหน่อยเวลาฟังธรรม เสียงที่ท่านชี้แจงแสดงมันลอยไปในอากาศไปเข้าไปรู้ในจิตดวงจิตที่รู้ว่าท่านชี้แจงแสดงอย่างโน้นอย่างนี้นั่นแหละคือว่าจิตเมื่อกระทบไปที่นี้เข้าที่นี้แล้วก็รู้สึกได้ จิตนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมารู้สึกไม่ใช่มันมีจิตดวงผู้รู้อันนี้อยู่ในตัวในกายนี่มานมนานนับไม่ถ้วนแล้วเมื่อความรู้สึกรับรู้ที่ไหนให้สังเกตในจิตนั่นแหละก็รวมจิตใจไปตั้งอยู่ในที่นั้นตั้งโยในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อตั้งลงไปรวมลงไปในที่นี้ได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายไม่มีความทุกความร้อนประการใดถ้ามันทุกร้อนอยู่ก็คือว่ามันยึดอารมณ์ถืออารมณ์อยู่ในตัวในใจ ถ, นถ้าไม่ยึดเธอแล้วเจ็ดดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังลงไปที่นั้น มันสงบระงับเ ย, ยือเกเย็นสบายลงไปและในร่างกายสังขารของเรานี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาบ้างให้พิจารณาลงไปคือว่าเจตมันหลงโลกปัจขันเจตมันหลงร่างกาย ถ้าเราดูร่างกายเนี้ยมีอะไรบ้างอาการสามสิบสองต้องดูไปทีละอย่างละอย่างจนมันแจ้งแจ้งชัดเจนทวนกลับไปกลับมาจนชำนิชำนาญจ็ดใจก็จะมีความสงบตั้งมั่นขึ้นไปโดยลำดับลำดับ จิตนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่น <c oughs> ไม่ได้โยใต้น้ำใต้ดินบนฟ้าบนอากาศอวากาศหากมีโยปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่ะเกสาผมโลมาขนะขาเล็บทันตาฟันตาโจหนัง มังสังเนื้อนหฮรูเอ็นอธิกระดูกอธิเมนคังเยื่อในกระดูกวักกังน้ำอัทยังหัวใจยะกันังตับกิโลมะกังผังผืดปิหากังไตปับหาสังปอดอันตังไสใหญ่อันแตกกุนังไสน้อยอุตริยังอาหารใหม่กาลีสร้งอาหารเก่ามัทเกมัทลุงคังเยื่อในสมองศีสัะ เปดตังน้ำดีเสมหังน้ำสเลดปุ๊บโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเจโทน้ำเหือเมโทน้ำมันค้นอัจโชน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกปลาศิกาน้ำไขข้อมดตังน้ำมูดอาการสามสิบสองนี้ก็ให้กำหนดพิจาจรณะา ดกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในในตัวในใจเพราะไม่ได้พิจารณาดูล่างกายสังขารของตัวเองที่จิตมาอาศัยอยู่ก็เห็นแต่ผิวเผินเห็นแต่ผิวหนังถ้าดให้เห็นภายในจนเห็นน้ำเลือดน้ำเหลือง ปุ๊บโพโลโลหิตเต็มไปหมดในร่างกายสังขารนี่ที่เราว่าสวยว่างามนั้นความจริงมันไม่สวยไม่งามอะไรเลยจิตวิชาตัณหาตังหะมันหลงอยู่มันติดอยู่ข้องอยู่มันก็เลยเป็นเหตุให้ใจิตใจลุ่มหลงมัวเมาดิ้นลนวุ่นวาย ไปตามการาตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดมันดิ้นไปมันหลงไปอย่างนั้นแหละแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเอามาพินิจพิจารณาจนเข้าใจขึ้นมาเป็นพิเศษของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าตามตำลาไปท่านว่าอย่างไรป ร, ริยปีธรรมไม่อย่างใรก็ว่าไป จุดปฏิบัติไม่ได้หมายอย่างนั้นคือต้องการความรู้แจ้งรู้จริงไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นเอาความรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจให้จิตใจมันรู้มันเห็นเมื่อจิตใจรู้แจ้งมันไม่เหมือนธรรมดาเรียกว่าจิตใจมันแจ้งขาวไปด้วย ที่เศรเหงานอนหายไปด้วยความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆนั้นก็หายไปด้วยกิเลสความโกรธมันก็หายไปได้กิเลสความโลภมันก็หายไปได้กิเลสความหลงมันก็หายไปได้เพราะมันรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในธรรมะปฏิบัตินั่นนั้ นั่นการรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังให้มีความสามารถอานารในการปฏิบัติบูชาภาวนานี้จะต้องปรวดกายพิจารณากายนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้จิตมันไม่เห็นกาย กายอันเต็มไปด้วยภพโพโลเหต์ก็มองไม่เห็นกายเป็นปฏิกูนสัญญาเป็นติ่เป็นปฏิกูนไม่สวยไม่งามจิตมันก็ไม่เห็นเมื่อจิตมันไม่รู้ไม่เห็นในกายมันก็มัวเมาลุ่มหลงมัวเมาเพราะมันเห็นว่าเป็นของสวยของงาม มันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนต้องทำภาวนาเพียรเพ่งดูในจิตตัวคนเรานี้เท่ากันก็ว่าเป็นบาทเป็นแผลอยู่เก้าแห่ง้ะลุปุกปลงไปหมดก็ว่าได้แต่ว่าเมื่อจิตมันลุ่มหลงมัวเมาแล้วกาหนดพิจารณาไม่ได้ เจตหลงอันนั้นก็พาให้จิตอันนี้หลงไปต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงให้พาการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาพาวนานเริ่มตั้งแต่พุทโธพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออก การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่คนอื่นปฏิบัติให้มันจิตใจของแต่และบุคคลนั่นแหละกำหนดปฏิบัติเอาเองจนให้มันรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมให้รวบรวมกำลังจิตกำลังใจเข้ามาตั้งภายในจิตใจของตัวเอง คือทวนกระแสจิตทวนกระแสใจเข้ามาอย่าให้มันออกไปภายนอกถ้ามันออกไปรับเรื่องราวภายนอกแล้วก็ลืมหมดอย่าให้มันไปรับอารมณ์ดวงจิตดวงใจดวงจิตผู้รู้มีอยู่ทุกเวลา ฉะนั้นน่วยทำต่างๆที่เราทุกคนจะต้องกำหนดที่จารนานั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่ว่าให้ะระลึกถึงว่าชีวิตของคนเหล่านี้ไม่แน่นอก